เทศอกรมพระวันที่23สิงหาคม2521ปลุกใจนุ่มนวลดีมากเทศในคำพีมีแต่ชื่อกิเลสและบาปธรรมส่วนกิเลสและบาปธรรมอันแท้จริงมีอยู่ที่หัวใจสัตว์โลกเขาพูดว่าศาสนามีแต่ตัวหนังสือไม่มีผู้ทรงข้อปฏิบัติมรรคผลนิพพานเหลืออยู่บ้างเลย พออ่านประวัติท่านพระอาจารย์มั่นแล้วเหมือนเกิดชาติใหม่ขึ้นมาในชาติเดียวกันโลภโกรธคนอื่นได้แต่เขาโลภโกรธตัวเองไม่ได้นี่แลเรื่องกิเลสกลายเป็นเราโดยไม่รู้สึกเรากับกิเลสจึงเป็นอันเดียวกันแต่เราเท่ากับแต่กิเลสกิเลสกับเราจึงไม่ชอบให้อะไรมาแต่ต้องกันนี้ดีมาก ฟังอัดให้ใครๆได้นี่นุ่มนวลตลอดหมดเทป พ, พอดีหลงอันนี้เป็นหลงเป็นพืพ้นเลยนะขามาันพิบัติปัญหาความไม่หล่อมันสั่อภายัา น, น, น 3, จิตใจ ใหญ่มันจะมีสามความโลภความโกรธความหลงมั่เป็นที่ของกิเลสในคำพูีแปดห ม, มาาื่นอยูพันระตมาขันจี่น้ำได้พอประมาณนี้เป็นกค่ที่ของกิเลสของธรรมดังนั้นตัวกิเลสและธรรมจริงๆอยู่ภายในใจิต ใ, ใจของสา์โลกือลาเรียนจาได้คือดีเสียนได้ คือของกิเลสกันหาอาสวะและชื่อของหมาที่ออทำนปะวัติตัวได้ตัวรู้ตัวตลาดมันตั้งกี่ดาวกิดชื่อกิเลสไม่เดือด้อนแท่ประทักตัวเดียวนัจิตใจร้อนยุ่งกับภูเขาไฟมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิตเวทจึงต้องเป็นคู่เคียงกันเสมอไปาศาสนาถักขา ทังสามอย่างนี้อย่างใดอย่างงก็เป็นไปไม่ได้จะมีแต่ชื่ออย่างที่เขาเขียนจนหมามาตอนหลังจากเขาได้อ่านประวัติท่านกันมั่นแล้วมีกันมามากที่เขียนมาคล้ายคืนกันเขาบอกว่าหลังจากอ่านประวัติท่านกันมั่นจบลงแล้วเหมือนเขาเกิดคาดใหม่เขามีหวังวัง เกิดมนันนันแนนพุทธศาสนานี่ซึ่งเต็มไปด้วยมรรคผ่านแต่แต่ก่อนมันเป็นอย่างนีเน้เป็นความแน่ใจหมดหวังนะเพราะเห็นว่าศาสนานมีแต่ตัวหนังสือ พระเนรเมจักผ้าเหลืองกลางหาผู้ปีตสมัครสงผลผู้ไปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นศาสนาจริงมีแต่ตัวมือไม่มีใครสรมัคผลเป็นความิสุนทรวัยพอได้อ่านประวัติท่านท่านมั่นแล้วเป็นการสร้างความหวังให้เต็มหวัวใจกนี่มีจํานวนมากนะที่เขียนมาต่อมา หลังจากได้รับหนังสือที่เราส่งไปให้แล้วคล้ายขึ้นเปนอย่างนี้มีมากไม่เนึกว่าจะมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติข้อบดังท่านอาจารย์มั่นและบรรดาลูกศิษย์นะลูกศิษย์สายท่านสมั่นนี่เลยสิดวัาอ่นนี้ได้อ่านอย่างถึงใจแล้วอืยเต็มตื้นพน า, ายใหัวใจเหมือนเกิดชาติใหม่ขึ้นมาใน ท่ากลางแห่งชาติเก่าๆที่มีอยู่นี้เท่านั้นในพรุทงัณฑนั้นเป็นมาเพราะนั้นเราพู่นะเป็นนักปธิบัติขอให้ถือตามคำสัตคํคำจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไ ว, ไว้แล้วอย่างใดซึ่งมีส่วขาดรังเป็นเครื่องประกันคุณภาพ ความถูกต้องดีงนามนทุกอย่างไม่โดยสมบูรณ์แล้วการแสดงออกให้โลกเห็นชัดก็คือนิยานิกรธรรมซึ่งออกไปจากสวนขาตธรรมที่เปรกยไม่ชอบแล้วทำนิานายเป็นเครื่องนำออกซึ่งโทษทั้งหลายที่มีพานาใจของสัตว์โลกผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระองค์ ด้าพระวจาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระวจาที่มีสั์มีจริงมีลิขิตาสตรานิภาพมากเหนือพิเ็ดทุกประเภทเมื่อใดนำพระโอาวาทที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องนี้ไป ป, ปฏิบัติพิเรกปัหาเพียงใดก็ต้องเบาบางลงไปตามกำลังแห่งการปฏิบัติ ของลายนั้นนั้นและหมดขึ้นไปเพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติของผว้นั้นเต็มภูมิ น, นี่เป็นมาตั้งแต่ค ร, รั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันและยังจะเป็นไปอีกเป็นเวลานา น, านินกว่าจิตใจของสัตว์โลกจงหมดความเยื่อใย ห, หมดความคล่งคืึง ธรรมของพระพุทธเจ้าหันเหไปในอนอกรูนอกทางไม่ถือธรรมเป็นหลักปุเจียงแลวนั่นแหละศา ส, สนาจะหมดก็หมดตรงนั้นคือหมดเลยไม่มีสัตว์ตัวใดผู้ใดาสามารถจะนำเติมขึ้นปฏิบัติได้ไม่มีผู้ใดสนใจเพราะจิตใจห ย, ยาเกินกว่า จะสนิัใจในธรรมทั้งหลายได้ที่โลกว่าศาสนาที่พึษพิจารทาไว้ห้าพันปีนั้นก็ตามอปุปนิสัยความฝันจิตใจของโลกผู้ผีพุทธผีธรรมทีงงสงนี้จะมีไปได้เพียงแค่นั้นจากนั้นความรู้ความเห็นทุกสิ่ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปจาก หลักธรรมนี้ทั้งนั้นในขนะที่เลี่ยนแปลงไระจักหลักธรรมก็มีความพัวพันรรในโลกแลก็ปกดปล่นมันเรียกว่าเป็นทางผิดทนันหนกเป็นเารเรียกว่านิจฉามิฏฐิเมื่อไม่มีศาสนาแล้วก็เป็นเหมือนแต่ข้อบาปไม่มีบุญไม่มีภายในจิตใจหาความรู้อิริฏฐิอิปตะปาไม่ได้ พเป็นเหมือนสัตก์มันมีอนาจก็กดขีพวกของพืชไถกั น, นกินสืบกันกินเหมือนสัตว์ป่าความไม่มีศีลธรรมความไม่มีศาสนาภายในใจิตใจมีโทษทันถึงขนาดนั้นทางที่โลกยังพออยู่พอเป็นพอภัยแม้จะร้อนแล้วอู้อยู่ทุกแห่งทุกผลอย่างทุกวันนี้ ก็ยังมีที่ดวงว่างยังมีที่พระงฆยังมีที่วัดที่รวงอยู่บ้างเพราะจิตใจคนยังหาความเป็นธรรมอะก็ขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมยังหาความเป็นธรรมอยู่จิตใจนองใยธรรมอยู่ผู้ที่ต่วินิจฉัยไตสวนให้ได้เหตุได้ผลเพราะความเป็นธรรมก็ยังมีอยู่อร้องความเป็นธรรมก็มี ทำยังเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในหัวใจของโลกอยู่โลกยิ่งแม้่จะร้อนก็ยังมีที่เย็นเป็นน้ำแม้ในมหาสมุมดก็ยังมีเกาะมีดอนพอที่พออาศัยได้นี่เราพูดถึงภาพทั่วไปจิตใจถ้าขณะใดโลกเข้าย่ำอยู่ขณะนั้น ก็เดือดร้อยตั้งตัวไม่ได้แค่สัง่งละสายวุ่นวายไปกับอารมณ์ต่างๆเพราะไม่มีสติอำนาจของสติปัญญาไม่พอสู้กํำลังของยิ่ที่ขับดันจิตใจให้พุงสร้างไม่ได้ความ ท, ที่จะงจิตที่จะพุ้งสร้างแต่นั้นก็เพราะอาศัยอารมณ์อดีตเป็นสำคัญเจอเห็นไปได้ยินสิ่งใด นั่นนำเรื่องนั่นเข้ามาเผาตัวเองจิตใจก็ถือนั่นเป็นอารมณ์หลืถือนั่นเป็นงานงานนั่นเป็นไฟผลของงานที่เป็นไฟก็เผาฐานกิตใจทำเกิดความเดือดร้อนมีขณะไม่มีสติกเป็นอย่างนี้ด้วยกันไม่ว่าพระว่าไม่ว่านักบวชไม่ว่านักปฏิบัติเรา ตรงทาความสันจิตสอด้วยตนดีเสมอสมกับเราเป็นผู้รักษาเรารักษาใจอย่าให้สิ่งใดมาย่ำานีได้อย่าให้สิ่งใดมารบกวนจิตใจได้คำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มารบกวนนั้นหมายถึงจิตใจเป็นผู้ไปคิดวาภาพเอาสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเข้ามาคลุ้นคิดครุ่นคิดภายในจิตใจ ให้ว่าวุ่นขุ่นโมวอยู่ภายในนี้ผลก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาเมื่อมีสติคอยกำกับรักษาคอยขัดคอยขืนคอยต้านทานกันอยู่เหมอด้วยสติด้วยธัญญาเพราะเราทราบแล้วว่าอารมณ์ น, นั้นเป็นของเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเป็นความผิดผลต้องเป็นพิษแนเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่บ่อย จึงต้องอาศัยการท้าทานหรือต่อสู้กันเรื่อยๆคาว่าปะทะปะทะนั้นคือมีการต่อสู้ที่มีการปร ะ, ะทะหากจิตใจของเราเลื่อนลอยสติไม่มีปัญญาที่จะค้นทิศมันเป็นศาสตราอาวุธสําคัญไม่มีคําว่าปะทะก็ไม่ปรากฏเดียบว่าราบเรียบไปเลย หากมีปะทะก็คือยังมีการต่อสู้กันทั้งเขาทั้งเราต่อสู้กันเรียกว่าปะทะเห็นปะทัป่อการร้ายอย่างนี้เป็นต้นพ อ, เ, อเดี๋ย ว, ว่าเราก็สู้เขากับสู้ต่างคนต่างสู้กันเรียกว่าปะทะกันวิเลตก็เกิดขึ้นภายใน จ, จิตใจไม่ว่าจะเป็นความโรคความปวดความหลงราคะปัญหาประเภทใดๆซึ่งเป็น ทั้งพ่อแม่ของทิเลตลูก้าแล้วก็ของทิเลตมันเป็นคาสิทั้างนั้นเหล่านี้เมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจใจมีสติก็ต่อสู้ต้านทานซึ่งกันและกันจนเอาชชนะหรือหมกันลงได้แม้ยังไม่ชนะก็ยังพอมีเงื่นมีเข่าจับได้เงืนนั้นเงื่นนี้คอทรงตัวอยู่ได้ด้ว ย, วยสติปัญญ า, าปัฏฐานความเที่ยงของตนนี่ทีเรียกว่าปัฏฐะเพราะมีการต่อสู้กัน ถ้าไม่มีการต่อผู้ไม่เรียกว่าปะทะระหว่างเรากับอารมณ์ปะทะกันอยู่เรื่อยๆถ้ามีสติก็รู้เรื่องกันไปเรื่อยๆถ้าไม่มีสติจิตใจก็เป็นเสียงเท็ดเท้าให้ขี้เหลียดเหยียบย่ำทำลายจึงไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้อ <c oughs> ันข้ห้ เรพระพุทธเจ้าเชื่อสังพระพุทธเจ้าทำพ ร, รพระสงฆ์อย่างถึงใจอย่าเชื่อสิ่งใดยิ่งกว่าพุทธความสงในขณะเดียวกันนั้นมันมีสิ่งซึมซาบอยู่ภายในจิตใจและแทรกซ้อนกันอยู่กับธรรมคนมากพวกนั้นมีกำลังมากจะมีกำลังมากกว่าเสมอ แล้วคอยทำลายให้เอยงให้เอียงโดยตนเองก็ไม่รู้สึกว่าได้เอ็นเอียงไปยังไงั้งๆ ท, ท, ที่เอ็นเอียงอยู่แล้วมีเนื้อจากไม่มีสติถ้ามีสติแล้วก็พอคัดพอเยียงกันไปเห็นความลำบากของพระพุทธเจ้านำมาเป็นศัิท์ยทาณแก่ตนเองการประพฤติปฏิบัติธรรมพระองค์รู้สึกว่าหนักมาก ่งกว่าพวกเร่าทั้งหลายดังที่เคยอธิบายให้ต่างหลายครั้งแล้วเพราะความเป็นสำคัญอยู่เป็นสยัมถูทรงอฏิบัติโดยลำทังพระองค์เองบรรดาพระโพธิจาทั้งหลายเป็นอย่างนั้นผู้ที่จะบุกเบิกทางเดินให้สัตว์ทั้งหลายไปด้วยความรนาเง ในขั้นต้นการบุกเบิกเพื่อความเป็นทางอันรากปลือยคือความเป็นาสารประดาและเบิกทางอันลาเปลื่นเดือดเขวบ้ า, านนี้เป็นความลําบากในการบุกเบิกขนาดไหนท่ทางไม่เคยเดืเป็นสยามภูจะต้องปฏิบัติโดยลําพังพระองค์สุขทุกข์ลำบากลําบนแสนไหนก่ต้องทรงบําพ็ญ ไม่ลงลดละท้อถ อ, อยสังที่เราสร้งางทุกถึงขนาดใช่หลือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้พโลกไปถึงสามผลฟื้นกลับมาฟังเลยหนึ่งการที่จะข้ามที่เล็กซึ่งเป็นตัวสำคัญพาให้ตัดอยู่ในวัดตัดรงสามหาประมาณไม่ได้หาการสถานที่ว่าจะจบขึ้นเมื่อไหรไม่ได้ ถ้าไรทุ่มเทกันลงถึงขนาดว่าเอาตายก็ตายสะดกดก็สะดุเมื่อไม่ฟื้นจะตายไปก็ต่างไปเมื่อไม่ตายให้ไปชัยชนะถ้าจิตไม่ได้มีความเข้มแข็งขนาดนี้แล้วก็ต่อสู้พิเรนไม่ได้ให้เราเึงนํามาเที่ยวถึงเรื่องความทุกข์ที่เราจะต้องแบกไปตั้งแต่บัดนี้แบกบมาแล้วก่็นับไม่ถ้วน เป็นมาได้ถึงปัจจุบันนี้แล้วยังจะแบกจะหามพกชาซึ่งเป็นกองทุกไปทุกพบทุกชาตลอดไปนี้เรายังจะมีความสามารถมีความพอใจแบกบหามไปอยู่เลอแต่การตระกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนสิ่งเป็นเชื้อให้ก่อพกปลอดชาซึ่งเท่ากับก่อกองทุกทั้งหลายถ้าเราแบกหามนั้น ทำไมเราจะไม่มีความสามารถทำไมจึงจะไม่มีกำลังต่อสู้ทำไมจะไม่มีความอุตส่าห์พยายามทำไมจึงจะไม่อดไม่ทนอดทนอุตสาห์พยายามเพื่อจะข้ามเชื้อแห่งพบทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจออกให้หมดขึ้นไปแม้จะตายในชาตินี้ก็เป็นเพียงชาติเดียว ไมต้องตายจำซ้ำสักศาสไลข้างไหลหุนเกินขาประมาณไม่ไดับเหมือนกิเลสพาให้ตายเราตายด้วยความเพียรไม่มีความสุขมีดีกรีมีสักดิีเหนือกิเลสอยู่มากเราจึงควรตายด้วยความภักเพียนเชื่อพระโพธิจากเชื่อให้ถึงใจพระองค์ทรงดำเนินอย่างใด เราเป็นลูกศิษย์สถาโคตรปรากฏในพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นเพศของพระเพศของพระเป็นเพศที่มีความอุตสาห์พ ย, ยายามที่สุดพระของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นเพศที่มีความอดความทนต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าภายนอกภายในตลอดถึงโรคธรรมทั้งแปดทั้งภายนอกโลคกระทำทั้งแปดทั้งภายในต้อง อดต้องผลต้องมีความขยันหมั่นเพียรต่อสู้เพื่อความเป็นที่มงคลเพื่อความพ้นโลกของตนนับ ก, ก็ต้องสู้ต้องผลเพราะทางเดินดีตรงนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่เดิมหากมีทางอื่นเป็นที่ราบลื่นดีนางามไปไ ด, ได้ด้วยความสะดวกสบายและถึงได้อย่างรวดเร็วแล้วพระพุทธเจ้าทุกทุกอง ซึ่งมีพระเมตตาต่อสับโตอย่างเต็มพระทยอยู่แล้วทำไมจะไม่ประทานทางสายนั้นให้โลกทั้งหลายได้ดันหนึ่งก็เพราะมันไม่มีพระพุทธเจ้าเองจึงต้องทรงลำบากแล้วการประกาศพระศาสนาก็คงประกาศตามร่องรอยที่ทรงรู้ทรงเห็นอันเป็นแนวทางที่ถูกต้อง นั่นแมลแก่แต่โลกถ้ากรรมหมา ก, ก็ต้องนำนินไปทางสายนั้นมันมีทางอื่นพื้นที่ลบดีปลีกออกไปซึ่งเมื่อปลีกออกไปแล้วเต็มไปววด้วยความด้วยหนามใครจะมีความฆ่าหานต่อความต่อนหนามได้ทางที่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยก็คือมัชชิมาปฏิปทาวิเลวดมันดุกดันขนาดไหนมันเดื้อด้านขนาดไหนผิดมัชชิมา ปัจจิปทานคือจะมาคือสติปัญญาขึ้นให้เต็มที่ให้ถึงให้ถึงกันพันกันให้เหมาะกับความเป็นมัชชิมาที่จะแ ก, ทก้ที่เด็ดขกิเลสประเภทดือได้มีมัชชิมาประเภทที่จะต่อสู้กิเลสให้มินั่นก็ต้องมมีเรียกว่ามัชชิมาพอเหมาะพอสมเส่นเดียวกว่ถ้านำไม้มาติดบ้างติดเืน ม้ที่หยาบอู่ควรถ้าตัดถ้าฟันก็าถากเป็นเมเ็ดเป็นหนวดเต็มกําลังลังชาก็ต้องถาให้เต็มสีมึงเต็มกําลังเหมือนจะฟันที่นถากทิ้งหมดทั้งต้นเสาต้นนั้นนั้นแต่ความจริงเขาถากที่ในส่วนที่อยากที่โคตที่งอออกให้หมดเหลือไว้แต่ส่วนที่ดีที่เป็นประโจกซึ่งจะมาทําเป็นบ้านเป็นเรือนบ้า นันเครื่องมือมีหลายประเภทการสร้างาส้างสร้างอย่างอยากก็มีอยากากล า, างก็มี <c oughs> อยางไม่เห็นก็มีเครื่องมือที่จะสร้างจิตใจหรือเครื่องมือปราบพิเลกก็เหมือนกันคําว่ามัชฌิมานมต์หมายถึงแบบพิเรกประเภทใดที่มีอยู่ภายในจิตใจชนิดใดหนาเพียงไรดูด้านขนาดไหนต้องนําหลัก มัดกันมาให้ถึงขนาดกันเรียกว่าเครื่องมือให้ถึงกันเข้าปรากปราบมูทากานเจิงสัตเป็นความเหมาะสมกับการแก้สิเลสประเภทนั้นๆแต่ดักหากกิเลสหนาแต่เราจะทำแบบรูปคำค ำ, คำก็เข้ากันไม่ได้เช่นเดียวกับไม้ที่จะนำมาเป็นต้นเสาทั้งต้นซึ่งยังไม่ได้ถากได้ฟันอะไรแล้วเอากบตะไสยไม้ทั้งต้น มันจะเป็นบ้านเป็นเดือนได้อย่างไรต้งองเอาขวานผากฝันเข้าไปมเมื่อถึงขั้นที่จะใส่กบมันก็เมื่อเด็ดขาดลงอย่างเที่ยงเจาดับที่โคตที่งอให้ตรงไปโนะดยลำดับเรียบร้อยจนหาที่ถากไม่ได้เพราะเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็นำกบเข้ามาใส่เครื่องมือชนิดนี้มีอีกเรื่องของที่เล็สมือรกันยายาบ เวลานี้มันเต็มอยู่หัวใจของพวกเราเราจะทําแบบลูบๆคํามันไม่ทันกันเรียกว่ามัดจิมอันนี้ไม่จัดเป็นมัดจิ ม, มาคืออ่อนกว่าพิเลสกําลังไม่เพียงพอกับพิเลสก็นํามาแก้พิเรกไม่ได้พิเรกหยากสติปัญญาก็ต้องเอาให้หนักให้ทันกันเฮ้ยพิเรก ล, ละเอียดก็ไปสติปัญญาก็ละเอียดตามมันไป ต, ตามมันไปจงกระทั่งพิเรกหาที่หลบซ่อนไม่ได้ เพราะอำ น, นาจแห่งปัญญาลาดแหลมผมตามต้นภาพปันกันจนแหลก็แตกกระจายไปหมดนี่แหละหลักมัตติมาเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าไปเสมอเสมออย่ธรรมดาธรรมาะควรหนักก็ต้องหนักมัตติมาแปลว่าความเหมาะสมหรือท่ามกลางท่ามกลางก็คือความเหมาะสมนั่นเองความพอดี จะพอดีกับกิเลสประเภทใดผลิตขึ้นมาสติปัญญาจทัทชาความเพียรเอาความเพียรก็ให้กล้าแข็งแข็งจนแกร่งมันไปเป็นหินเป็นเหล็กไปเลยสติปัญญาก็ตั้งไม่หยุดไม่ถอยปัญญาพิณิพิจารณาไม่ละไม่หวาอยู่กับตัวของเรา มีเรื่องความมัดขึ้นมาคือสมกับการแก้กิเลสแต่ละประเทศประเทศและแต่ละการและสมัยที่กิเลสปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนต่อสู้กันไปเช้นนั้นจิที่ยังไม่สงบกพยายามทําด้วยความสงบเป็นความสงบมีสติคอ ย, คยรักษาหรือควบคุมงานอย่างการภาวนาของตนเราเคยส่งเคยคิด กับเรื่องอารมณ์ต่างๆมาตั้งแต่วันเกิดแล้วจนกระทาั่งแบบนี้เราเสียดายความคิดอะไรอีกความคิดเหล่านั้นถ้าอยากจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นประโยชน์แล้วมันก็ควรจะเป็นผลเป็นประโยชน์มานานแล้วแต่ส่วนมากมากักมีแต่ความทุกข์เพราะความคิดแต่ตามกระแสของที่เวิตซึ่งเคยเป็นมาโดยลําดับจนกระทั่งถึงปัจจุบนันนี้เรายังเสียดายความคิดประเภทนั้นอยู่ก็อย่างว่าเรายังเสียดาย หัวหนาที่มันตัดวิ้ถิมแทนในภายในเท้าข อ, ของเราไม่สนใจที่จะถอดถอนมันออกในเวลานี้เราจะถอนหัวหนามถอดหัวนามออกจากฝ่าเท้าถอดเื้เนออกจากจิบใจจึงไม่ควรที่จะไปเสียดายอารมณ์อะไรในขณะที่ทำความภาคเปลี่ยนนั่นเป็นยิ่งเป็นสำคัญ คิดมามากแล้วหนึ่งรูปหนึ่งเสียงหี่งกลิ่นหนึ่รสทั้งั้งทั้งักทั่วโลกกระถางดินแดนมันเป็นเรื่องของจิตใจเราเพราะที่าดภาพสิงนั่นสิ่งนี้มาเป็นเรื่องราวแล้วก็หลงภาพมโนภาพของตนหลงอารมณ์ของตนคุ้นพิดในะอารมณ์ของตนดุ้งในอารมณ์ของตนจนหาที่ไปที่มาไม่ได้เหมือนตามวัวลอยวัวในคลอกเนี่ยแล้วจะได้มันอะไรอารมณ์แห่งธรรมจึ่งจะทําให้ จะมีความสงบออเงย็นใจบังคับจิตลงในสุขอารมณ์ต่างๆเช่ <Okay. S 1> นกําหนดอนาปานัชติก็ให้รู้ลมทุระยะของลมยาเสียดายความคิดอย่าให้ความคิดใ ด, ดเข้ามาแทรกในขณะที่ทํางานนั้นความคิดคือสังขารมันคอจะแทรกสมอสังขารเต็มตัวสําคัญพอกระนั่งทันยามันก็ยื่นตัวออกไปอย่างละเอียดทุยละเอียดเราตามรู้ระยากจิตธรรมดาสามันนี้การรู้ระยะ ค่ะว่าจิต ค, คีและเอียดแล้วก็รู้กันได้เร็วรู้จิตผู้บรสุทิแล้วนะั้นมมนมีปัญหามันหมดปัญหานอกบัญชีไปแล้วบัญชีของวัตจกักรบัญชีของที่เหล็กมันหมดมนี่หมดนอกบัญชีนี่ไปแล้วการพิจารณาร่างกายจะเป็นร่างกาย้างนอกข้างใน ก็เอาให้กินให้จังยาสักแต่พิจารณาผ่านไปเฉยๆว่าได้เท่านั้นครั้งเทอนี้ครั้งเท่านั้นรอบตอนนี้รอบอันนั้นนับออกก็ได้เลยสาคัญสําคัญที่ความยุ้งแย่งจริงเพราะการพิจารณาด้วยความเจาะจงโดยมีสติปัญญาเป็นผู้ทํางานด้วยเจตนาจริงๆคปตากรดขึ้นมาอย่างชัดแจ้งชัดแจ้งพิจารณาหลายครั้งแล้วเห็นเข้าไปนั่นแหละ เมื่อพักในมัไหนจิ่งใดสิ่งนั้นก็หายสงสัยคือหายสงใใสัยนส่งนั้นเอาจริงเอกสา่เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงําเนินอย่างเชื่อทำทำสัตวไว้แล้วอย่างดําเนินทำนั้นเสียดายทำมากกว่าเสียดายอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกับโลกมานานซึ่งไม่เหเกิดเปลี่ยนไปข้าสงสาวกท่านดําเนินอย่างไร เป็นคติตัวอย่างของพวกเราได้อย่างดีเยี่ยมในบรรดาสาวกอรหันที่เราเป็นงวาชจาถึงท่านและลึกละลึกน้อมทางด้านจิตใจว่าสั้งทังพระ น, นางกระฉามยาเพียงใลึกถึงท่านเป็นชนะของจิตเงเท่านั้นให้ลึกถึงปฏิปทาของท่านที่ดําเนินมาเพื่อเป็นคติตัวอย่างของเราจะได้ก้าเดินตามท่านแม้ไม่ได้แบบท่าน ทุกกระเบียบก็ตามมีนก็ยังดีเป็นลูกปิดที่มันขรุนี่เรือเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมและเป็นสิ่งที่กรอบจิตใจของโลกได้อย่างสนิทสนมได้อย่างเคอมเคิอมหาเวลาที่จะเห็นโทษของมันได้ยากถ้าไม่นำทัินปัญญาเข้าไปจับเข้าไปเทียบเคียงเข้าไปพิจารณาเราจะมาเห็น ว่ากิเลสนี้เป็นโทษต่อจิตใจของศาสโลกนี่เหลยเพราะฉะนั้นศาสโลกจึงต้องมีความพอใจในความโลภในความโกรธในความหลงความรักความชังอาการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจิตใจของโลกภาพกันทั้งนั้นแต่เรื่องของธรรมซึ่งเป็นเครื่องที่แจกิเลสไม่ค่อยชอบกันพะนี้ต้องเรีนศึกษาต้องมีพิธีรีกององพฤติรฏิบัติตั้งใจ ศึกษาตั้งใจปฏิบัติจริงๆเรื่องของธรรมคนที่เลีตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามเพราะมันมีอํานาจมีกําลังมากเคยบังคับบัญชาหรือเที่ยมสอนจิตใจของโลกมาเป็นเวลานา น, นจนกระทั่งถึงโลกกับมันนั้นเป็นอันเดียวกันเรากับทิ่เลี้ยงเลยเป็นอันเดียวกันไม่ทราบอะไรเป็นที่เลีมันกล่อมได้ถึงขนาด น, นั้นเป็นอวัยวะอันเดียวกันเลย พาไม่เยอกแยะตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงส อ, งสองนเมื่อ น, นี้มีสติปัญญาเป็นสาคัญจาหาทางรู้โทษของกิเลสไม่ได้โลกก็พอใจโลกคนเราเพราะกิเลสพาให้พอใจไม่เห็นว่าความโลภนั้นเป็นไผ่ไม่เห็นว่าความโลภ น, น, น, น, นั้นเป็นความผิดโลกผู้อื่นโลภได้แต่เขาโลภเราไม่ชอบเนี่ยสั่งโกรธเคา้ โ, าโกรธได้ด่ดาเขาด่าได้แต่เขาด่าเราไม่ได้นะ เรื่องของจิตมันให้เป็นอย่างนั้นให้เข้าใจว่าเจ้าของถูกต้องเสียทุกอย่างแต่เข้าใจว่าเจ้าของผิดนี้มีน้อยมากเรื่องของจิตหลิทธ่าไม่มีทําเข้าไปจับแล้วจะไม่เห็นว่าตนเป็นคนผิดเลยมีละโลกจึงแก้ไม่ตกก็อยู่ด้วยกันในจำนวนมากน้อยจึงมากเอารัดเอาขี้อันเดีวรับความทขาโตกับเตือนซึ่งกยายการรมอยู่เสมอหาความสงบมา ไ, ได้ก็เพราะอํานาจของจิตหลิทมันครอบครอมหัวใจ มีธรรมะเป็นเครื่องทดสอบคือนี่พิจาณราณร า, ณร า, ณราณแล้วคนเรามันอยู่ด้วยกันได้ย อ, ยอมยอมรับความจิดเราเองก็ยอมรับความจริงของเราตรงไหนผิดเราก็ยอมรับว่าผิดและพยายามแก้ไขรตรงไหนถูกก็ส่งเสริมถิ่นด้วยเพื่อประโยชน์เอาทำเท่านั้นมีทาเท่านั้นเป็นคู่ แข่งของกิเลสหากไม่มีธรรมเนยเราจะไม่เห็นว่ากิเลส น, นี้เป็นโทษเป็นคุณอะไรต่ออะไรกับตัวของเราและโลกโดยทั่วไปจะเห็นแต่เป็นคุณทั้งนั้นทั้งๆ ท, ที่มันเป็นโทษแต่เมื่อได้นําธรรมะเข้ามาเทียบเทียงแล้วมันก็มีของสองสิ่งของสองสิ่ย่อมแข่งกันย่อมเป็นคู่แข่งกันเสมอเช่นดีกับชั่วเนี่มีสองคนก็เป็นคู่แข่ง อันเดียวไม่ทัดจะแข่งกับบ่ายอย่างนี้มันมีแต่กิเลสอันเดียวอย่างเดียวภายใน ห, หัวใจหาคู่แข่งไม่ได้จึงไม่ทราบว่ากิเลสเป็นความผิดเป็นความไม่ดีให้โทษแก่ตนอย่างไรบ้างทุกขนาดไหนก็ยอมรับกิเลสพาให้คิดให้ปรุงให้ผุดให้าให้กระทาตระการใดทําไปได้หมดด้วยความเต็มใจเพราะมีอันเดียวมีแต่กิเลสเป็นผู้บง ก, การ เมื่อนำทำเข้าไปวิ่งวิ่งยหรือได้ยินด้วยฟังอัดรำได้อัดเรื่องอัดเรื่องทำเข้าไปก็มีข้อเทียบเทียงเทียบเทียงฝากผิดฝ่ายถูกทีนี้ก็พยายามแยกแยกกันออกได้อมีธรรมเป็นอย่างนี้กิเลสเป็นประเภทนี้ความโลภเป็นอย่างนั้นการไม่โลภเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นอย่างนั้นการไม่โกรธเป็นอย่างนี้การความหลงเป็นนั้นความไม่หลงเป็นอย่างนี้ค่อยเข้าใจกันไปโดื่อยลำดับทีนี้จะหาวิธีหาอุบายแยกแยะ แยกแยกเข้าไปในเบื้องต้นต้องหนึ่งอาจจะกำลังบังชาบังคับบัญชากันถูถยกันไปเพราะยังไม่เคยเห็นผลของงานพอแค่เ ด, เด็กทำงานนั่นผู้ใหญ่ต้องคอยบังคับบัญชาแล้วรักกาผู้ใหญ่นะเด็กกบทะเลถลาย เราก็เหมือนกันเมื่อยังไม่เห็นผลของธรรมเกิดขึ้นที่ใจต้องเลยก็ขี้เกียจต้องอาศัยความบังคับบัญชาตัวเองจะตใจเองของต้องัาเมื่อใจได้รับความสงบเย็นลงไปนี่เป็นเครื่องวัดอันหนึพอใจได้รับความสงบพระองค์แห่งการพระองค์แห่ภาวนาจะเป็นภาวนาบุตใ ด, ดก็าตามเมื่อใจสงบแล้วมันเย็นเย็น ทราบซึ้งละเอียดอ่อนแล้วก็ในขณะนั้นเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายอ๋อที่ใจหาความสงบสุขไม่ได้นี่เพราะความวุ่นวายเข้ายุ่งเกลนจิตใจอยู่เสมอหาจนกระทั่งหาเวลาพักผ่อนหย่อนี้จิตไม่ได้เลยจิตจึงหาความสงบไม่ได้ปัจจุนี้จิตไปรับวความสงบแล้วเพราะอํานาจแห่งธรรมเนี่ยทำกับที่เด็กที่นี่ก็เป็นคู่ เมื่อใจได้รับความส ง, ส ง, สงบสงบเพราะอะไรก็สงบเพราะสมาธิธรรมภาวนาธรรมมีทางที่จะต่อสู้กับที่เดชเรื่อยไปเมื่อได้รับการอบรมอีกสม่ำเมอไม่ละความเพลียายจะต้องมีความจเจริญขึ้นเรื่อยเจริญขึ้นวันละนิดกันน้อยเช่นเดียวกับความเติบโตของเด็กที่รับการบํารุงจากผู้เลี้ยงดู กิดใจไปรับการบำรุงจากการนี้นดูการรักษาของเราการบำรุงด้วยอ ด, ดีตธรรมเป็น ก, การเตือนภาวนาสมัครระวังรักษาอย่าให้มันเลื่อนคัดเกิดความเดือดร้อนที่เห็นว่าเป็นความเสียหายความปิดท่ารักษานไปด้วยความสม่ำเสมอโดยความมีสติก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนเองไม่ทราบเลยว่า เบื้องต้นจิตเป็นอย่างนั้นแล้วจิตขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่มันค่อยเป็นค่อยไปส่วนที่จะทราบชัดในเป็นขณนะขณะ น, นั้นได้เจากจิตตะพรวนานาเวลาจิตมีความสงบในขณะนั้นทราบได้ชัดว่าขณะนี้สงบแต่เมื่อสงบเขาหลายครั้งหลายหนจิตใจค่อยค่อยเปลี่ยนโล่งล ง, ลงไปเปลี่ยนโล่งเข้าไปเปลี่ยนโล่งเข้าไปมีตอนนี้ทั้งเกตไดยย้ายากคือเปรี้ยงเก่าลงไปเรื่อยๆมี รากฐานมั่นคงลงไปเรื่อยๆอันนี้สังเกตได้ยากแต่เพราะอาศัยการอบรมเสมอจิุสงบแล้วสงบล่าหลายครั้งหลายแหงก็เป็นการสร้างฐานพื้นภายในจิตเองให้มีความแมน่นหนามั่นคงพอมีความสงบบ้างอ้าวที่นี่พุทธนาทางด้านปัญญาค้นดูเรื่องธาตุเรื่องขันเหนียค้น แ, ร, แร่แปรธาตทใหแกรที่ตรงนี้ ถ้าตุคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีแต่ธาตุล้วนๆอยู่ภายในร่างกายนี้เราหาเป็นเราที่ตรงไหนมีทถ้งหมดดินก็มีแต่ดินล้วนว น, น้ำก็มีแต่น้ำลมก็มีแต่ลมไฟก็มีแต่ไฟเราไปเสศษขันปัญญ้นย่อเอาสิ่งนนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ละอายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบ้างเหรืถ้าก็มีริญญาเขาพูดได้เขาจะหัวเราะเราด่าเราวันดังข้ามโดยไม่รู้สึกตัว แต่นี่ก็เขาเป็นดินเขาเป็นน้ำเขาหลงเป็นไฟลราจะถือหรือไม่ถือเขาก็คือดินน้ำหลนไฟอีกเช่นนั้นแต่ความถือเป็นความหนักหน่วงของจิตใจเราความทุกข์ควา ม, วามลําบากเพราะอุปาทานก็เป็นเรื่องของเราเพราะฉะนั้นต้องแก้ด้วยสติปัญญาพิจารณาลงให้งนั้นชททัดทีเดียวร่างกายของพระพุทธเจ้าทรงดู้เจงของสิ่งด้วยการจะกตะทานี้ท้วาวทั้งหลายเป็นานั้นกัน สติปัฏฐานสี่เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์อริยสัจสี่เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ฟังให้ดีนะอริยสัจสี่เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ต้องอยู่นอกจากอริยสัจความพ้นทุกข์ต้องอยู่นอกสติปัฏฐานอีกทีนี้อันนี้เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์มีอะไรพิจารณาเห็นชัดหายสงสัยกายเวทนาจิตถันพิจารณากายกายในกายนอก อธิบายไวย้ในปฏิปานสุขเกี่ยวกับเรื่องอุบายวิธีของเราที่จะพิาจารณากายและกัตตาและสิ่หาที่สึ่งผิวมาน่าแล้วแต่าถนัดยางไงเดี๋ยวพิจามาให้เป็นอสุภะอสุพังเป็นป่าชาพีดหมดทั้งตัวนี้มันก็เป็นได้เพรามันเป็นป่าชาพีดอยู่แล้วเดพิจารณาทางาธาตอสุภะก็เป็นอย่างนี้เดีพิจารณา ท, ทั้งเรื่องขาดเรื่องคัน มันก็เป็นธาตอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเป็นความจริงของตัวเองแต่เบอยดขวางมันตอนมีที่ใจดวงเดียวที่เสชิญสรนปัญหาเข้าว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใจนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจึิงได้แต่ทุกข์เพราะมันอยู่ไม่เป็นสุขถ้าอยู่เป็นสุขมันก็ไม่มีทุกข์เอื้อมอนุนิพพินิจตรงนั้นสําคัญมันหมายถึงอยู่อย่างนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเลี่ยนพิจิณาแยกแยะเรื่องสัญญาลงออก เป็นชิ้นเป็นอันพิจารณาท่าขันให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของท่าของขันอ้าเราจะพิจารณาให้มันแตกกระจายลงไปมันก็แตกอเป็นทำนี้ทาํางานอะไรไม่พิจารณาว่าท่ามันก็เป็นทา่าพิจารณาว่าขันกับขันแปลว่าหมวดแปลว่ากองกองรูปกองเวทนากองสัญญาของสังขารกองอิญญาก็อยู่ในกายในแจน่นี้เนี่ยทว่าขัน ขันท่าแปลว่ากองแปลว่ามวดกองตั้งแต่พื้นเท้าถึงบนศีรษะมันกองสูงขนาดไหนกองขันกองรูปก็ ค, คือรูปกายกองเวทนาก็มีตั้งกต่พื้นเท้าจนบนศีรษะตรวจศีรษะกองสัญญากับจันได้หมดตรงไหนตรงไหนจําได้หมดกองสังขารกับปรุงแต่งได้ทั้งภายในภายนอก ของวิญญาณก็คือความรับทราบจากอิสระภายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสเข้ามาถูกต้องกับตาหูจมูกลิ้นการใจก็เป็นอร <c oughs> นารมณ์ขึ้นมาขณะที่รับทราบว่านั่นเป็นรูปนี้เป็นเสียงนั่นท่านเรียกว่าบุญญาพอผ่านไปแล้วความรับทาบนี้ก็ดับไปพร้อมๆกับสิ่งที่สัมผัสผ่านไปแต่อารมณ์ ที่นำมาวิจารณาจิตใจนี้มันเป็นธรรมารมณ์อาศัยอารมณ์อดีตที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินใน้ฟังแล้วนั้นเข้ามาหมักดองอยู่ภาในจิตใจคุืบคิดอยู่ที่นี่เป็นอารมณ์อยู่ที่มีสร้างขึ้นเลยอยู่ที่นี่เพราะไม่มีตสติปัญญาแจ้ไขเราพิจานาแยกแยกให้เห็นตามความจริงที่นี้พิจนาอะไรให้มันเห็นชัดเราอย่าคาดคะเน อ, อย่าเดาให้เห็นตามความจริงมันแสดงขนะึ้นมาอย่างไรให้ดูตามความจริง มีปัญญาพิจารณามีปัญญาขั้นพันพันตนอุบาวิธีของปัญญานี้ไม่มีสิ้นสุดขอให้ีพิจารณาให้ปัญญาออกเกิดแต่ยื้อเฉยจะให้ปัญญาออกนี้มันเป็นไปไม่ได้เราก็เคยเชื่ออย่างสังใจมาแล้วว่าท่านัดชี้ละปริพาวิตตัวปัญญามาเปโรโหติบามีสร้างสร้างโยท่านชี้ละปริพาวิต ที่รับปิภาวิตโตสมาธิมหาพโลโคติมหโโโม า, หา น, สนสิสรงโซสมาธิอันศีนลอบรมแล้วยัง ม, มีผลมากมีประโยน์ ม, มากสมสมาธิปิพาวิตาปัญญามหาตาลาโคติมาหานสินสรงชาปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วยัง ม, มีผลมากมีประโน ม, มากปัญญาปิพาปปิภาวิตังจิตตังซัมมาเดวะอาเจนิมุจะติจอันปัญญาอบรมแล้วยัง ม, มีผลมาก อ, อันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลดพ้นจากที่เดชทั้งปวงโดยชอบนนสร้างเส เทาก็มีสีลอยู่แล้วเป็นที่อุ่นอยู่แล้วสมาธิเริ่งเข้าไปสีงเป็นศีลสมาธิเป็นสมาธิเราจะเข้าใจว่าสีงจะหนุนให้เป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิจะหนุนให้เป็นปัญญาไปโดยลําดับอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วจะแฝงที่เร็วจะได้หมดถ้าไม่นําไปใช้มันก็ไม่ไม่เกิดผลอะไรเช่นมีดอย่างฝานเครื่องมือต่างๆที่เรานํามาทํา ทำงานถ้าไม่เอาไปใช้งาน น, นี่ก็เป็นมี่ขวานก็เป็นขวานสิวก็เป็นสิวกบเป็นกบเลื่อยเป็นเลื่อยอยู่อย่างนั้นนี่สมาธิก็กีอยู่างนั้นมีศีลแล้วไม่ทําสมาธิให้เกิดด้วยจิตต์ภาวนาสมาธิก็ไม่เกิดนั้นอยากให้สมาธิเกิดต้องทำภาวนาเมื่อภาวนาขึ้นเป็นสมาธิแล้วถ้าอยากให้ปัญญาเกิดต้องคิดค้นทางด้านป kop, ัญญาปัญญาถึงจะเกิดไม่ใช่สมาธิ จะไปหมุนให้ปัญญาเกิดได้เองถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีใครติดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็หมุนตัวไปเรื่อยๆเป็นปัญญาไปเลยปัญญาก็หมุนตัวเวลาให้จิตถูกต้นเลยแต่นี้มันไม่เป็นเล่นเช่นนั้นตามความจริง<ม>ความจริงก็คือว่าสมาธิต้องทําให้เกิดเมื่อมีสมาธิพอจิตมีความสงบเร่มเย็นบ้างไ ม, ม่หิ้มโหยในอารมณ์อะไร มาไปเหมือนแต่ก่อนที่ไม่เคยได้สมาธิแล้วก็นาจิตนั้นตอบพิจารณาในแง่ต่างๆของท่าของขาัาจิตไม่ที่ไม่หี้วโหยก็ตั้งหน้าทํางานให้เราะหนึ่งๆเมื่อทํางานให้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาเกิด ค, ความรู้แจ้งในแง่นั้นแง่นี้ขึ้นมานี่เป็นผลเลยจริงรู้ที่ตรงไหนหายตรงสหนตรงนั้นรู้ตรงไหนหายตรงนั้นปัญญาค่อยขยับตัวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไ ป, ไป ตั้งแต่ปัญญาขั้นดยาบเลื่อยไปเรื่อยไปจนไปถึงปัญญาขั้นกลางแล้วก็กลายเป็นปัญญาขั้นละเอียดไปโดยลำดับแก้ที่เด็ดแก้ที่เด็ดที่พัวพันคลายจิตเมื่อในแก้ที่เล็ดด้วยอํานาจของปัญญาทั้งสามขั้นปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดหรือขั้นละเอียดสุดสมกับที่เด็ที่ละเอียดสุดด้วยแวิชาเมื่อพอเหมาะพอสมกันแล้วเป็นมัชชิมามัชชิมานี้ได้หมุนตัวเข้าไปตรงไหนที่เล็ทพังทลายไปไม่มีอะไร นั่นวิธีเจ้าทีเล็กเป็นอย่างนี้พาท่านเข้าใจอยากเข้าใจว่าสมาธิจะเป็นปัญญาปัญญาจะเจ้าท<ม>ีเล็ทั้งหนาไปโดยทต่เดียต้องนําไปใช้เหมือนเครื่องมื อ, อของหลงขึ้นมา ง, างา่ายทามีสมาธิแล้วก็เหมือนกันกับเครื่องครัวที่เราจะมาปรุงอาหารชนิดต่างๆเครื่องครัวมีกล้อมแล้วถ้าเราไม่ปรุงมันก็เน่าเปะไปเฉยไม่เกิดเป็นอาหารขึ้นมาได้ สมาธิก็เป็นสมาธิอย่างนั้นดีไม่ดีเน่าเพลี่ติดสมาธิาธก่อนเน่าเพรานั่นเลยเมื่อติดไม่ถ้าจมจมกลับอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปไม่รอดต้องพิจารณานี่เคยเป็นมาแล้วติดสมาธิผมเคยพูดเรื่องพวกนั้นต่างหลายผลเรื่องสมาธินี้ํานานพูดได้อย่างอาจฐานพรามเป็นสมาธิมาถึงห้าหกปีแล้วกําหนดเมื่อไรได้ตรงนั้นมันเป็นสมาธิตลอดเวลาหีุมันเป็นเหมือนเหิน่ะ มีความมั่นคงแต่หินก็หินกิเลสหินสมาธิไม่ใช่หินความหลุดพ้นเมื่อเวลาปัญญาได้แยกแย่เข้าไปแยกแย่<ๆ>เข้าไปเห็นคุณคลางปัญญานี่กบบปใหญ่ถอดถอนไปเรื่อเลือยเรืเ่อยเรื่ที่ไหนไหนก็มาพ้นปั ญ, ญปัญญาเป็นผู้แก้กิเลสสมาธิเป็นทําให้กิเลสสงบตัวเข้ามาเพื่อแก้ไขได้ง่ายแก้กิเลสได้ง่ายฟาฟันกิเลสได้ง่ายเพราะมันไม่สร้างไปหมด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 เชื่ว่าใจก็ได้เชว่าธรรมก็ได้ธรรมคือใจใจคือธรรมไม่ขัดในความเพราะนอกจากสมมุติที่เขาตั้งกันไปแล้วโดยอัตโนมัติของตนเองนั่นทำแท้ดีที่จิตทำแท้คือจิตจิตแท้คือธรรมเมื่อถึงทัานมีแล้วหาตรงสัยนี่คุณค่าของการปฏิบัติธรรมทกกระทุ ก, ก, ทก์เพื่อจะได้ความประากฏขึ้นมานี่เราต้องยอมทนถ้าเราเชื่อตถาคตว่า ถ้า อ, องเป็นผู้มีเหตุผลจากไละชอบและ้ะตื่นิัวทุกอย่างเราก็ต้องเป็นผู้มีเหตุผลดําเนินตามหลักกระถาโคตรที่รงคสั่งสอนไว้ผลที่จะพึงได้จะไปไหนจะพ้นจากนี้ไปไม่ได้เพราะศาสนาธรรมของพระเจ้าก็คือตลาดใช่ไหมผลนี้พานอยู่ดีๆนี่แล้วขอให้ผู้นั้นดําเนินจิตการค่าของตนให้เป็เนเม็ตเต็มหน่วยตามหลักธรรมของที่เจ้าเถิดผลจะพึงปรากฏขึ้นมาเป็นลําดับลำหนาไม่ต้องสงสัย เหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้แหละทําแสดงบทธรรมบทใดขึ้นมาก็คือธรรมของพระองค์พรองค์เป็นผู้แสดงอย่างนี้อย่างนี้ออกมาจากความจริงอย่างนี้อย่างนี้เมื่อรู้เห็นความจริงขณะจิตใจแล้วก็เหมือนรู้เห็นต้องความจริงของพระพุทธเจ้าสงสัยไปที่ไหนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นนาฏถากฎกฎหมายอันนี้เองเอืัลแสดงเป็นอย่างนี้ให้สันปัญญาทีา่มา